อาจารย์ครับการวัฒนการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยหกสิสานะครับพระอาจารย์ครับกลาวเรียนถามพระอาจารย์ว่าเช้าคนใส่บาตรเยอะไหมครับผมก็ประมาณสี่ร้อยห้าคนนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ออนไลน์เยอะไหมครับพระอาจารย์ที่ใส่บาตรไปเยวันนี้ประมาณร้อยห้าสิบอ๋อ วันนี้ตั้งหัวข้อทำเพื่อการพ้นทุกข์ครับพระอาจารย์จะกล่าวออปัญญาจากพระอาจารย์ในเรื่องนี้นะครับขอ ค, ความเมตตากับผมทำเพื่อการพ้นทุกข์ก็คืออินทรีห้าหรือภลระห้าเนี่ยทำห้าห้าชนิดด้วยกันคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญา ที่แบ่งเป็นสองระดับคือระดับอินทรีย์กับระดับพระอินทรีย์ก็เหมือนกับพวกผู้เริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆศรัทธาสติสตาวิรยิยะสติสมาธิปัญญายังไม่มีกำลังมากก็เรียกว่าเป็นพระเป็นอินทรีย์แต่พอได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆศรัทธาก็เพิ่มขึ้นวิรยิยะสติสมาธิปัญญาก็จะเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นาละหา้าขึ้นมาระดับพละห้าน้ก็ระดับโลกุตตะระดับขั้นละสังโยชน์ผู้ที่ละสังโยชน์นี้ต้องมีพละหา้าคือมีศรัทธาร้อยเปอร์ซ็ศรัทธาในมรรคผลนิพพานร้อยเปอร์ซมีความเพียรร้อยเอร์ซมีสติร้อยเปรมีสมาธิร้อยรซแล้วก็มีปัญญาร้อยร ก็จะสามารถละสังโยชน์ทั้งสิบได้แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ลงลุกขุกขานไปก่อนศรัทธาหยายางห้าสิบห้าสิบยังไปทางโลกบ้างยังมาทางธรรมบ้างแบ่งกันไปคนละครึ่งแต่มีศรัทธาแต่ยังไม่มีกำลังความเพียรยังแค่ห้าสิบห้าสิบสติก็มีแค่ห้าสิบห้าสิบ สมาธิก็ห้าสิบปัญญาก็ห้าสิบก็เลยต้องพยายามปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีศรัทธาเต็มร้อยว่าทางนี้คือทางเดียวที่คนจะไปทา ง, ง, งั้นไม่ไดทางเป็นแต่ทังทางของความทุกข์เท่นั้นทางบรรพนจากความทุกข์ก็คือการปฏิบัติสติสมาธิปัญญา เราจะทุ่มเทอะไรกับการปฏิบัติเต็มที่ถ้ายังไม่ได้บวชก็อา จ, จะบวชเนี่ยเพื่อที่จะได้มีเวลาไปไปปฏิบัติได้เต็มที่ปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาแ ล, แล้วเราจะมีกระบวนการเปลี่ยนจากอินทรีย์เป็นพระคือคือการปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับอาารครับก็เราต้องทําการเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไปเล ย, เยขยันฟังเทศฟังธรรมสนนาธรรมอย่างนี้ย ทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้นเพื่อจะยิ่งได้เกิดศรัทธามากขึ้นแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นควบคู่กันไปด้วยแมาปฏิบัติมากขึ้นผลก็จะเกิดมากขึ้นผลจะเกิดมากขึ้นกมย่งทาให้เกิดมีศรัทธามากขึ้นแต่มันต้องต้องอยู่ที่ความเพียรเป็นตัวผลดันันนี้เนยะ พะเงถัดว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรหน้าที่ขอเพียรสร้างก็คือศรัท ธ, ธาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าจากผู้รู้จริงเห็นจริงของเทศบาลนาจากพระ อ, อริยสงฆ์จะได้กําลังใจจะได้ศรัท ธ, ธาแล้วก็จะทําให้ไปมีความเพียรที่จะไปเปรีวิเวกไปปฏิบัติเจรนาญนสติ นั่นสมาทิแล้พิจารณาทางปัญญาก็าต้องทำไปสายความเพี่ยนเป็นตัวผลักนั้นมันอยู่ที่เหตุที่เราสร้างเหตุมากผลก็จะมากเหตุน้อยผลก็น้อยทำความเปลี่ยนมากผลก็จะปรากฏขึ้นมามากทำความเปลี่ยนน้อยผลก็จะเกดขึ้นมาน้อย ทำที่ยาชำระ ก, กิเลสได้อย่างราบคาบก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยสามองสมาธิปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้ายังไม่มีสติหลักต้นก็ต้องพยายามมันจริดสติก่อนอุตย่าบอกสติเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทมั้งหลายถ้าขาสติแล้วเพียงยังไงก็ไม่สามารถทําให้เกิดสมาธิได้ ปัญญาก็ไม่ได้เป็นปัญญาที่จะลักกิเลส น, น่าสังโยชน์ได้เห็นต้องเป็นจาระสติให้บ้างบางในบา ง, นางคนปัญญาคอยกิจการคิดก็บคุมการคิดให้ดดดดได้ทั้งวันแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้เพรามีอัปปนาสมาธิจิตก็จะมีอเบขามีพลัง ที่จะสามารถต่อสู้กับความอยากเมื่อพิจารณาด้วยธรรมด้วยปัญญาว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็จะหยุดความอยากได้พาหยุดความอยากความทุกข์ก็หมดไปนี่ก็สำเรง่ายๆทำห้าข้อนี้เป็นเป็นพลังผลักดันให้จิตได้ออกจากวัตฏะสงสารได้ เปนั้นพลังของจรวดที่สามารถส่งยานอวกาศให้นออกจากแรงดึงดูดของโลกนี้ได้อย่างถ้าเป็นพวกอินทรีย์กั็พวกเครื่องบินไอนพ่นที่บินอยู่ผิวลมมีพลังกําลังยังไม่พอที่จะส่งผู้โดยสารในเครื่องบินให้หนีออกจากกระแสะดึงดูดของโลกได้เพราะกําลังน้อยสามารถบินขึ้นสู่ในระดับได้ ในระดับหนึ่งแต่สูงไปกว่า น, นั้นยังบินไปไม่ไหวกำลังไม่พออย่างนี้ก็เขามีกำลงมีการพัฒนาเครื่องบินโดยสารที่ใช้จฉลิเนี่ยอันที่ผู้โดยสารได้ออกไปท่องอวกาศได้ครับไปท่องได้เดีวกลับไม่ได้แ <laughs> รกัับได้ <laughs> มันง่ายจะตายขากลับมันได้ยังอยู่ของเราอันหนึงอยู่แล้ว <laughs> ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับแล้วในแง่ของการฝึกสติที่พระอาจารย์บอกว่า <t> ฝ <otal> ึกสติทั้งวันสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นี้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย์ครับก็ไปหาที่วิไปวิเวกวันที่เราว่างจากภารกิจการงานแทนที่เราจะไปเที่ยวอย่างสมมตว่ามีหยุดสาวันเข้าพรรษานี่ให้ลองไปอยู่วัดนนสักสาวันดีไหมไปอยู่คนเดียวไปหาท่าที่เขาให้เราปฏิบัติอย่างที่บนเขาเชี่ยวนี่ก็ให้อยู่คนเดียวให้ปฏิบัติทั้งตื่นจนหลับเลย ไม่ต้องทำอะไรนอกจากช่วยกว่าทางเดินบ้างอะไรไม่ให้หมั น, นลบลวงล้างเรื่องนั้นอกจากให้มีเวลาให้ปฏิบัติตลอดเวลาให้อยู่ตามลำพังไม่อยู่ในสภาพแด่นอมที่เอื้อต่อการเจริญสติเพราะมันเป็นป่าเป็นเขาไม่มีแสงสีเสียงมาคอยยั่วย ว, ยวนกูญใจแล้วก็มีมี มีภัยนอตด้านในเรื่องของสิงสารสัตว์มันก็จะทำให้มีความน้ำมัดระวังความน้ำมันระวังนี่ก็เป็นสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับเลยทำไงจะเดินไงมีสติคอยดูทางมันก็แค่แล้วก็ทํามันก็ถ้าพากาศ จ, จะตกเหวได้นีมันต้องทําที่นั้นน่ะมันเลยจะได้มีสติ แล้วต้องไปหาที่นั้นแล้วก็ปฏิบัติถ้ายังไปไม่ได้ก็ฝึกทำที่บ้านไปก่อนลองฝึกสตินั่งสมสาธิเท่าที่จะทําทได้ไปก่อนแล้วพอคิดว่ามีกําลังพอที่จะไปปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนได้ก็ค่อยไปหาสถานที่เปิดวิ่งเพื่อไปปฏิบัติไนดะ้ครับประกาศถามคํถาถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างครับอาจารย์ครับ กรณีที่เจ็บป่วยใช้ธรรมะบำบัดอย่างไรได้บ้างครับคุณแม่ป่วยเป็นสมองเสื่อมให้แม่ฝึกแต่จิตไม่นิ่งครับนี่นนะเพราะไม่ฝึกไว้ก่อนเนี่ยพอขึ้นเวทีถึงเวลาขึ้นเวทีก็ถูกนับพระอาจาถึงสอนให้พวกเราเราเลึกอยู่บ่อยๆตอนที่ขณะนี้เรายังแข็งแรงว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาลงพื้นความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้ จะบอกให้เรารู้ว่าข้อสองของเราคือความแก่ควาเจ็บความตายเราต้องมาฝึกแก่ตั้งแต่ยังไม่แก่ฝึกเจ็บตั้งแต่ยังไม่เจ็บฝึกตายแล้วแต่ยังไม่ตายนั่นคืการเจริญสตินั่งสมาธิเนี่ยทําจิตให้นร่งให้สงบอแล้วเราออกจากสมาธิมาถ้าใจทุกข์ก็สอนใจว่าทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ ต้องทําใจเฉยๆอยู่กับความแก่ไปอยู่ความเจ็บอยู่ความตายไปอย่างนี้ใจก็จะไม่ถูกแต่ต้องซ้อมไว้ก่อนมในหนังสือถ้าคุณมอไม่ดูหนังสือเวลาเข้าห้องสอบมันไม่รู้จะหาคําตอบมาตอบได้ยังไงก็ต้องดูหนังสือเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมหาคำตอบเตรียมเตรียมคําตอบไว้สําหรับข้อข้อสอบที่จะเกิดขึ้น สองของเราคือชีวิตก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากจะมีสขภาพแข็งแรงอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแลือเวลาจะตายมันทําอะไรไม่ได้นะหาความสุขไม่ได้ก็เลยไม่อยากไม่อยากเป็นในสภาพอย่างนี้แต่มันก็หนีไม่พ้นเพราะตามสภาพความเป็นจริงของเร่างกายมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ เราทําได้อย่างเดียวก็คือมาซ้อมแก่ไว้ก่อนซ่อมเจ็บด้วยก่อนซ้อมตายไว้ก่อนด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนาตัวนี้ที่จะทําให้ใจเราวางเฉยเป็นโอเบคาได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ใจก็จะไม่ทุกเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยเวลาร่ากายจะตายยังว่าร่างกายแก่ทำอะไรไม่ค่อยได้ต้องอาศัยคนนั้คนนี้ ช่วยพยุงช่วยทําอะไรอย่างนั้นใจก็จะไม่ชุบกับมันน้องผู้ชอบเนี่ยนั่ง น, นั่ง น, นั่งรถเข็นนะอ่ะอัน้นก็ยิ้มยิ้มแจ่สายเบิกบานแล้วไม่ยังเศราหมองอะไรเข้าใจถ้าไม่มีความอยากที่จะทํอาททอะไรกับร่างกายนร่างกายมันไม่มีกําลังจะทํำอะไรก็ปล่อยมันนั่งเฉยๆไปไประทานนั้นเองแต่ถ้าใจอยากจะทําอะไรต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรง ตรองใส่ร่างกายที่เดินได้ที่วิ่งได้ทําอะไรได้พอทําไม้ได้มันก็ไม่สามารถหนาะความสุขจากผ่านทางร่างกายไนดะ้มันก็เลยเศร้าซึมเศร้ากันนะยังต้องฝึกไว้ก่อนแนละ้วแต่ตอนนี้ทุกคนเนะีน่เร า, ม า, ามาศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยจะจะมีคําสอนนี้ให้พวกเราไปเตือนใจถ้าไปหยุดถ้าไปไหว้พระสวดมนต์ตามมันตอนนี้ก็ทําว่าเช้าวัานเย็นก็จะมีบทสวดมนต์นี้สอนกันทุกคน เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาโรคภัยความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการท้าทาจากกันเป็นธรรมดาสอนเตือนใจไว้ว่าเนี่ยนะคืออนาคตของพวกเราเราจะต้องเจอข้อสอบเหล่านี้เรื่งมาฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อจะได้ปล่อยวางอย่าไปอยาก ถ้าพบการในกาญจริงก็ทําข้อสามได้ผ่านได้สมายมขอโอกาสครับผมเคยเห็นคนไข้เอามาพึกที่นั่งรถเข็นหลายคนเลยครับอาจารย์ที่ที่เขายังยิ้มแย้มแจ่มใสได้อยู่เลยครับผมก็ยังทึ่งเลยครัอาจารย์เขาขทำใจได้เขายอมรับกับสภาพของเขาอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะเคยฝึกทำทางสติทางสมาธิอาจจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกเช้าทุกเยน็นอย่างนั้เลยธรรมะคําสอนนี่ ไอสนใจเตือนใจเรือ่อยๆจนเวลาเจอเหตุการณ์จริงก็ทาใจได้คนที่เราช่วยเหลือเขาแล้วเราถูกเขามองข้ามไปทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะเราอยากจะได้ผลตอบแทนจากเขาสิการทำความดีการทำบุญนี้เราไม่ต้องการความตอบสินตอบแทนจากใครเพราะการทำความดีมันมี เหมือนตอบแทนให้กับใจเราแล้วเพื่อให้มีความสุขใจอิ่มใจถ้าเราทําโดยปราศจากความปรารถนาสิ่งตอบแทนแต่ถ้าเรา ม, มีความปรารถนานี่มัเป็นตัณหาเป็นกิเลสพออยากแล้วไม่ได้นำใจอยากก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาเวลาทําบุญเนี่ยจึงไม่สนใจว่าใครจะขอบอกขอบใจเราหรือไม่หรอะไรให้นำวันเราหรือไม่เราทําเพราะเราเห็นว่ามันเป็น สิ่งที่คุณกระทำเช่นเขาเหนื่อยร้อนไม่มีใครช่วยเหลือเขาเราพอที่จะช่วยเหลือก็ได้แล้วก็ช่วยเหลือเขาไปแต่เราจะไปหวังว่าเขาจะต้องมาขอบอกขอบใจเรามาอะไรกับเราทุกงสิ้นแต่ถ้าเขาจะทําก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็มีความกตัญญูเรามีความสํานึกในบุญคุณเขาก็ขอบคุณนั่งยกมือไว้มาไหว้เจอเรา หรืถ้าเขามีฐานะดีขึ้นก็อาจจะตอบแทนเราด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราอย่าไปหวังนั่นเองแล้วเราจะมีความสุขใจอิ่มใจภูมิใจผลที่ท่านจากการทำำําความดีเดียวไม่หวังผลตอบแทนนี้มันมันไม่ก็สิ่งตอบแทนไม่น่าจะเป็นเงินทองหรืออะไรกี่ร้อยกี่พันกี่แสนก็ไม่มีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับการที่เราทําโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนใดอย่างใด คุณเพิ่มสักครับเรียนถามครับการเดินจงกรมสามารถเข้าถึงฌานอะไรการเดินจงกรมสามารถทําวิปัสสนาได้ไหมครับการเดินจงกรมถ้าใช้สติก็จะได้สติคือได้สติสัมปชัญญะอย่างมากก็คือใจไม่เผลอใจไม่ลอยไปคิดใจตั้งอยู่ในปัจจุบันแต่ยังเข้าไม่ถึงฌานยังเข้าถึงฌาน้องนั่งเฉยๆส่วนการเดินจงกรมจ ะ, จะเจริญปัญญาก็ได้ ทุจริตอย่างที่พูดเมื่อกี้เราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆละหัดทําใจเราให้ยอมรับความตายให้ได้ยอมรับความเจ็บให้ได้ออันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาถ้ายังรับความความความตายความเจ็บไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีอุเบกขาเราก็ต้องไปฝึกสมาธิก่อน มกเสติให้มีได้อัปปนาสมาธิได้ฌานฌานสี่ได้อุเบกขาก่อนแล้วเราค่อยมาสอนใจให้ยอมรับความจริงต่อไปเมื่อเราคิดว่าเรายอมรับความจริงได้ขั้นต่อไปแล้วก็ต้องไปทําข้อสอบจึงเราไม่กลัวการเจ็บไข้ได้ป่วดเราก็นั่งให้มันเจ็บแล้วก็ไม่ต้องไปขยับไวเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดมันก็ต้องเจ็บตามตามส่วนต่างๆ เวลาเป็นไข้หวัดใหญ่นอาการปวดไปทั่วร่างกายก็เหมือนเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมการอการปวดพอปล่อยมันปวดไปเราก็แยกใจออกจากร่างกายให้ใจอยู่กับลมหายใจวางเฉยใจก็จะไม่ทุกข์ต่อไปเวลาเจอโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของโรคของร่างกายที่เกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บ ด้สบบนิ่งเย็นสบายมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือวิปัสสนามีคำถามจากผู้มาใหม่ครับบอกว่าฆ่ามดฆ่าแมลงสาบบาปไหมครับบาปไม่ว่าจะฆ่าอะไรถ้าเป็นสัตว์ที่มีมีวิญญาณบาปทั้งนั้นคุณวิทวัสครับจิตเดิมเป็นแบบไหนครับทำไมต้องพัฒนาจิตครับ คือจิตเนี่ยว่าจิตที่มีกิเลสข้าบงำกิเลสครอบงำมันก็หนึ่งจิตให้ลงต่ํานึงให้ไปเป็นสัตว์เดราาัจฉานไปเป็นเปรยไปเป็นอะไรต่างๆเราก็ต้องพัฒนาหนึ่งจิตให้สูงขึ้นเรื่องการไม่กระทําบาปถ้าเราไม่ทําบาปจิตก็จะไม่ลงต่ํากว่าการเป็นมนุษย์ถ้าอยากให้มันสูงขึ้นจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพเราก็ต้องทําบุญทาำทาน ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าเทพเราก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้เข้าชาญให้ได้เราก็จะได้ระดับพรหมถ้าเราอยู่จะายมันขึ้นสูงกว่าระดับพรหมเป็นระดับพระอริยบุคคลเราก็ต้องพิจารณาปัญญาศึกษาอริยสัจ ส, สี่ศึกษาใจนักพิจารณานั่งกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังข อ, งองนันตตาเป็นต้องเราก็จะขึ้นระับเจ็ดขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นขั้นสูงสุด แ, แต่และดับนี้มันจัมีความสุขเพขิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขของมนุษย์มากกว่าความสุขของสามเดชนาความสุขของเท พ, ม า, ม, า ม, ขขพ ม, มากกว่ามนุษย์ความสุขของพรหมมากกว่าเทพความสุขของพระอนิพพานเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่ต้องทาให้จิตตั้งมาเวียนว่ายตายเดต่อไป ถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราเราก็ต้องปฏิบัติถ้าเราไม่อยากพัฒนาก็ไม่มีใครบังคับอยากจะเป็นสัตว์เลร้ยงชางก็ไปเป็นได้อยากจะไปเป็นเปรดอยากจะไปตกทั้ลบก็ไปเป็นได้ทำบาปเต็มที่อยากจะทำบาปก็ทำไปอยากจะเสพสุราอยากเราอยากจะเสพอบายมุกก็ทำไปแต่กฎแห่กรรมันมันมันมันมันทำหน้าที่ของมันมันไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลมาตัดสิน มันเป็นกฎอัตโนมัติเพียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเกี่ยวกับจิตใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนหน้ากายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลของการกระทําบุญและทำบาสนะผู้ที่รับผลก็คือจิตใจที่เป็นธาตุรู้ที่มีความรู้สึกนะักคิดตัว น, นี้แหละที่ไปรับผ ล, ผ ล, ลบุญผลบาตรและผู้ที่จะไปเป็นว่ายตาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจใถึงขั้นพันธิภัณฑ์ การทำบุญกับคนที่เป็นความจําเสื่อมให้ข้าวปลาอาหารและปัจจัยได้บุญไหมครับได้เรื่องทําุญนี้อยู่ที่อยู่ที่เราอยู่ที่การเสียสละแบ่งปันของเราผู้รับไม่เกี่ยวผู้รับจะเป็นใครก็ได้ใช่ไหมแต่เป็นคนไม่มีสติคนบ้าหรือจะเป็นคนเป็นสัตว์เนราชานก็เหมือนกันเพราะบุญเกิดจากการเสียสละไม่ได้เกิดจากคนที่รับว่าเขาเป็นใคร ทำกับภาหารก็ได้บุญเหมือนกันทำบุญกับคนที่เสียสติก็ได้บุญเหมือนกันในส่วนที่ได้บุญที่เกิดจากการแบ่งปันเจสราแบ่งปันแต่ยังมีบุญอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยก็คือธรรมะถ้าอย่างนี้ถ้าเราไปธรรมะถ้าไปทําบุญกับคนที่มีธรรมะมากเราก็จะได้ธรรมะมากได้บุญมากถ้าเราทําบุญกับคนมีธรรมะน้อยก็จะได้บุญน้อยอันนี้บุญอีกส่วนหนึ่ง มีบุญมี2 ส, ส่วนด้วยกันเวลาทำบุญกับบุคคลต่างๆคุณ DC ครับถามเรื่องการผ่านเวทนาช่วงนั่งสมาธิพอสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะเริ่มปวดหลังเจ็บขาทำอย่างไรจึงจะผ่านไปได้ทุกครั้งครับก็เบื้องต้นห้ยังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนใช้คำบริกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปส่วนบุญส่วนบุญหลไป หึง ใ, ใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บปวดถ้าสวดได้บริกรรมได้ไปสักระยะหนึ่งใจก็จะสงบลงพอสงบลงอาการเจ็บปวดก็จะไม่ลบแขวนจะอยู่กับมันได้ตามไฟตามอยู่เหมือนสติแยกใจออกจากเวทนาหนึงใจออกจากเวทนาตัวตัณหากิเลสเป็นตัวหนึ่งพยายามจะผูกจิตให้ติดกับเวทนาให้คิดว่าเวทนาเป็นจินตแลาวก็ทําให้จิตอยากจะให้เวทนาหายไป แต่พอเราใช้สติหนึ่งจิตออกจากเวทนาได้จิตก็ปล่อยวางเวทนาจิตก็ไม่เดือดร้อนกับการเจ็ปบปวดของเวทนาอันนี้นขั้นของสติถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็นถ้าเรามีสติแล้วเราก็พร้อมที่จะไปพัฒนาเป็นขั้นปัญญาต่อไปโดยการพิจารณาว่าเวทนานี้มันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นของไม่เที่ยมเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ มันจะมาเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อไหร่มันก็มาของมันไปของมันสิ่งที่เราเราจะอยู่กับมันได้นั้นเดียวนั่นก็คือเราอยากไปมีความอยากอยากไปอยากให้มันหายไปไม่อยากไปอยากนี้จากมันไปเพราะบางทีเราหนีไม่ได้เช่นเวลาเจ็บไข้เร่นป่วยจะหนี้จาความเจ็บได้ไงเวลาปวดฟันนี้มันก็ต้องอยู่กับมันไปทําใจให้เฉยๆยอมรับกับความเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายหรืออยากไปอยากนี้จากมันไป ความทุกข์ที่เกิดในใจก็จะไม่มีใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะนิ่งสงบอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อันนี้ก็เรียกว่าการใช้ปัญญาคุณแม่เสียไปหลายปีแล้วแต่ฝันเห็นแม่มาหาต้องทำอย่างไรครับโดยธรรมเนียมก็คือถ้าเราฝันเึ็นคนตายก็เราก็ทำบุญทิพไปให้กับขเขาไปแต่เขาจะมาหาเราจริงหรือไม่นี่อาจจะเป็นไม่เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ ถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ก็<ม>ก็ทําไปยกประโยชน์ไปก็แล้วกันเราที่อาจจะเป็นความคิดของเรานึกถึงท่านแล้วก็ฝันไปก็ได้โดยที่ท่านไม่ได้มาหาเราเลยก็ได้หรือบางทีท่านอาจจะคิดถึงเราก็มาหาเรานึกท่านอาจจะเดือดร้อนอยากจะมาขอความช่วยเหลือาจากเราแล้วก็ทําบุญทิฏฐิส่งบุญไปให้ท่านไปคุณแดงครับ หลานติดยาคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์กำลังรักษากินยาหมอแต่ยังใช้อยู่ครับก็เราไปเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาติดยาไปทําให้เขาเลิกได้หรือเปล่าถ้าทําให้เลิกไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาติดไปแลับผลของการติดยาไปมันต้องทําใจเป็นอุเบกขาพิจารณาว่าเป็นเรื่องของบุญของกรรมของเขาเรื่องของการกระทําของเขา เขาทำสิ่งใดไว้เขาก็าต้องไปพ้นรับผลของกรรมนั้นคุณแอนถามว่าทำบุญเพื่อหวังสิ่งตอบแทนได้บุญไหมครับมันไม่เป็นบุญนะมันเป็นการซื้อขายเวลาเราไปซื้อของที่นั่นแล้วก็หวังขอ ง, ของตอบแทนกลับมาเราเอาเงินไปให้เขาเขาก็ให้ของกับเรามาเป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เป็นการทำบุญ การทำบุญที่มายถึงค่เปล่าไม่หวังอะไเป็นผลตอบแทนจากผู้รับก็จะได้บุญคือความอิ่มใจสุขใจคุณขวัญดีครับปฏิบัติธรรมไม่ต่อเนื่องเลยเป็นเพราะใจเราไม่สงบใช่ไหมครับเป็นเพราะเรายังไม่เอาจริงเอาจังยังไม่ศรัทธาพ อ, อยังยังม่ศรัทธาในเรื่องอื่นมากกว่าศรัทธ า, าในเรื่องการไปเที่ยวในเรื่องการซื้อของฟุ่มเฟือยต่าง หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นน้อยู่ศรัทธาทางธรรมก็เลยมีน้อยก็เลยให้กับเวลากับการปฏิบัติน้อยไปเท่านี้ต้องพยายามคิดถึงความตายความแก่ความเจ็บตายบ่อยๆเราจะมีข้อสอบรอเราอยู่นะมันอาจจะทําให้เราเริ่มกระตุ้นความความศรัทธากระตุ้นความเพียรให้มีมากขึ้นว่าเด้อเราอย่างถ้าเรายัางไม่รีบปฏิบัติตอนนี้นต่อไปเวลาเจอของจริงเราจะทุกข์มากนะ เราอยากบรรลุธรรมขั้นโสดาบันอย่างนี้ถือว่าเป็นโลภะไหมครับคือความอยากมันก็ต้องดู ว, ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ได้ถ้ายัางอยู่ในระดับทําบุญทําทา น, นารักษาศีลอยู่มันก็เป็นไปไม่ได้อยากไปก็เสียเวลาเปล่าๆต้องดูกําลังของเราว่าเราเราทําได้เท่าไหร่แล้วก็ไปทําในสิ่งที่เราอยากได้เช่นเราเราเรียนพุบาลเราอยากจะจบด็อกเตอร์เนี่ยอยากไปจะวันตายมันก็ไม่มีวันจบเราต้องไปอยู่ระดับ พอรทรแล้วเน่ยเธอค่อยไปอยากเป็นดมอเตอร์มันก็จะเป็นไปได้เรื่งต้องดูกําลังของเราเวลาเราอยากได้อะไรตองดูว่าเรามีกําลังที่จะทําตามความอยากของเราได้หนระือไม่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันกินเป็นกินเลสหรือมันกินเลสดูที่กําลังของเราคุณเทวิชัยครับพระที่ปฏิบัติสามารถรู้ใจคนได้อย่างไรครับ อันนี่ก็เป็นความสามารถพิเศษของจิตของท่านถ้าบางรูปคนบางคนที่ปฏิบัติธรรมเาจิตสงบแล้วสามารถอ่านจิตของผู้ ไ, ได้อ่านความคิดของผู้อื่นได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้เทวดาเปรตผีอะไรพวกนี้สามารถติดต่อกันได้เขามีพลังจิตเขาเรียกพลังจิตถ้าทําความสะอาดบ้านแล้วไปเจอมแมลงมุมต้องทําอย่างไรไม่ให้บาปครับ ก็อย่าไปแตะมันเลยก็ไม่ยุไปช่วงนั้นก็ปล่อยมันขามันไปอย่าไปยุ่งกับมันคุณสิรินครับลูกจะผิดไหมที่พ่อโทรมาหาลูกเพื่อไปร่วมวงเล่นไพ่จีนแต่เพื่อเป็นการบันเทิงลูกจะปฏิเสธถ้าลูกไม่สบายตัวและลูกเองมีครอบครัวต้องทําหน้าที่ที่บ้านของลูกค่ะการที่ลูกปฏิเสธถือว่าลูกไม่กระตันยูไหมครับ โอ้มันเรื่องแค่นี้มันไม่ต้องไปกังวลอับการ์ตันยูไม่กร์ตันยูถ้าเราไปได้ก็ไปถ้าเราอยากจะแสดงความกร์ตันยูก็ไปถ้าเราไม่ไม่อยากไปก็จะว่าไม่กร์ตันยูก็ได้เพราะว่าพ่อขอนอนแล้วเขาอยากจะให้เราไปเราไม่ไปก็อันนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะไปกังวลมากการ์ตันยูม่กร์ตันยูในระดับนี้เขาให้กร์ตันยูในระดับเลี้ยงดูท่านดีกว่า ถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วท่านออดยาขาดแคลนอันนี้เร า, เราต้องไปนั่นเ้ี่ยเราไปดูแลเรื่องดูท่านเแทนการไปเที่ยวกับท่านหรือไปอะไรบางทีมันไม่สะดวกจะไปก็ปฏิเสธได้มันไม่ได้นครับว่าเราไม่กระตันอยู่การเป็นนี่เป็นทุกข์ใจมากเราจะพัฒนาจิตยอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ครับก็อย่าไปมีนี้เลยมีนี่ก็เลียบใช้นี่สิ ขายทรัพย์สินที่เราไม่อยู่ไปให้ ป, ปดนี่ไปให้หมดก็ทัานนั้นเองส่วนใหญ่มันก็เป็นหนี้จากการที่เราไปซื้อของมาซื้อรถยนต์มาก็เป็นหนี้ถ้าไม่อยากเป็นนี้ก็ขื้นรถเข้าไปให้ธนาคารยึดไปก็จบปิดบัญชีเดินเอาขึ้นรถแท็กซี่เอาก็ได้สบายใจกว่าเยอะแยะคุณแพรครับ แต่ก่อนนั่งสมาธิพอ n ั่งไปนิ่งๆมันจะมีข้อธรรมผุดมาสอนเราเองแบบนี้คืออะไรครับแต่ตอนนี้หนูนั่งดูการเกิดดับของจิตไม่มีข้อธรรมขึ้นมาสอนแล้วหนูก็นั่งดูไปเรื่อยๆถูกไหมครับยังไม่ถูกอะได้นั่งสมาธิต้องอย่าไปดูการเกิดดับของจิตให้ดูการเข้าออกของลมหายใจจะดีกว่าเพราะการดูจิตนี่มันจะไม่ทำให้จิตสงบจิตมันจะทำงานของมันไปเรื่อยๆ ให้จิตสงบให่ต้องไปดูลมหายใจแลวต้องบริกรรมพุทโธแทนพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิทุกครั้งเหมือนกับนั่งหลับพอรู้สึกตัวก็รู้ลมเข้าออกต่อเป็นเพราะอะไรครับเพราะสติหมดสติไงก็หลับไปชั่วคราวพอได้สติกลับมาก็รู้สึกตัวใหม่คุณสุคนธาครับ กายอาศัยจิตจิตอาศัยกายหมายถึงอย่างไรครับมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกคือจิตเนี่ยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือนในการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่จิตชอบเสีงรูปกลิ่นรสก็ต้องอาศัยร่างกายเหมือนกับเราอาศัยรถยนต์พาเราไปไหนเมื่อไหนเพราะเราอยากจะเดินทางไปไหนเมื่อไหนเราก็ต้องมีรถยนต์มนถึงจะเดินทางไปได้สะดวก แต่การไม่ได้อาศัยจิตกลายเป็นผู้รับใช้จิตคุณคุณคาบอนครับในขณะนั่งสมาธิหากเรารู้สึกว่าร่างกายเราเองแต่มีความรู้ตัวอยู่ตลอดแบบนี้เราควรดึงร่างกายของเราให้กลับมาตั้งตรงหรือควรปล่อยให้ร่างกายเองไปแล้วรู้ตามรู้ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปตามรู้เรื่องร่างกายเลยเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับลมหายใจและอยู่คําบริกรรม อยางไปสนใจกับอาการต่างๆของร่างกายนั่งสมาธิได้ไม่เกินสิบนาทีก็หลุดมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้ทําสมาธิได้นานขึ้นครับก็อลองฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งพยายฝึกสติตั้งแต่เป็นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถทําได้ตลอดทั้งวันนี้พอมานั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายได้เร็ว คุณสุภัตราครับในโรงเรียนมีหมาแมวมาแวะหรือมาอยู่ในบริเวณโรงเรียนเห็นแล้วสงสารจึงซื้ออาหารเม็ดมาให้เอาไปทําหมันแล้วปลูกฝังนักเรียนว่าถ้าเราไม่ชอบเรากลัวสัตว์ทําร้ายให้อยู่ไก ล, ไกลแค่ไม่ทําร้ายมันก็พอแต่ครูคนอื่นเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าจะไปให้ข้าวมันทําไมยิ่งให้มันยิ่งมาแต่ว่าน้องก็ไม่ไปไหนสักทีจึงได้เล่หหาที่ให้ข้าวที่ไม่เบียดเบียนคณะครูและนักเรียนจิตเราเมื่อเห็นสัตว์น่าสงสารแบบนี้เกิดความอยาก อยากให้อาหารอิ่มท้องถือว่าเป็นการทําตามกิเลสหรือไม่ครับมันก็เป็นความสงสารเนะ่ยเป็นความเมตาตากรุณาจะต้องทําให้มันถูกกาลเทศะทำแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับคนอื่นคิดถึงลูกที่จากไปเจ็ดเดือนแล้วครับแต่ยังทุกข์ใจมากๆยังหาความสุขไม่เจอเลยครับเพราะไม่ยอมรับความจริงมาเข้าไปแล้ว เป็น ม, มีวันกลับคืนขึ้นไปแลวควรจะลืมไปเขากลายเป็ น, นดินน้ำลมไฟไปหมดแล้วคุณสัมพันธ์ครับกับผมไม่มีเวลาใส่บาตรตอนเช้าถ้าผมโอนเงินให้แมค้าร้านค่าใส่บาตรให้ทุกวันได้บุญกุศลหรือไม่ครับได้ก็มีเนี่ยที่บินทบาทนี่ก็มีคนฝากให้แม่คคาใส่บาตรให้ทุกวันเราก็ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้ดูเวลาที่เขาใส่บาตร เราเห็นด้วยแล้วก็าสาธุบุญของเราได้สาเร็จแล้ว ค, คุณแม่ผมกับภรรยาก็ทำานี้ทุกวันครับคุณอั๋นครับบอกว่านั่งสมาธิมากๆแล้วมีอาการหน่วงที่หัวปวดขมับจะกแก้อย่างไรครับสติเรามีกำลังน้อยกิเลสมันต่อสู้มนเลยสร้างความเครียดความตึงเครียดในส่วนต่างๆของร่างกาย งั้ถ้านั่งแบบนี้ไม่ได้ก็ควรจะนั่งสวดมนต์ไปก่อนอนั่งสวดมนต์ไปสักพักให้จิตมีสติว่าขึ้นให้มันสงบลงให้กิเลสมันอ่อยกำลงลงแล้วค่อยนั่งอยู่ลมหายใจต่อไปทางที่ดีก็ควรฝึกสติให้ ม, มากๆก่อนมานั่งจะดีกว่าพยฝึกสติทั้งวันเลยคุณจิรพาครับช่วงนี้ยิ่งพยายามยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดเห็นอะไรใครก็ไม่พอใจไปซะทุกอย่าง อยากให้เขาทําให้ดีกว่านี้พอทุกข์มากก็จะปล่อยวางไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วทิ้งไปเลยจะเห็นแก่ตัวไหมครับถ้าสิ่งที่เราทิ้งมาเป็นครอบครัวลูกสามีหน้าที่การงานครับถ้าเราทิ้งแล้วเขาไม่เดือดร้อนก็ไม่มีหน้ายัางมีปัญหานะเพราะเราเลีรักษาตัวเรารักษาใจของเราแต่ถ้าเรายังมีหน้าที่ต้องมีภาระที่ต้องดูแลเขาก็เราก็เราก็ทิ้งแบบ แบบได้ใจใจเราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับเขาไม่อยากอะไรกับเขาแต่เราก็ยังทําหน้าที่ของเราต่อไปอยู่ทำด้วยกิริยาแต่ไม่มีอารมณ์กับการทําไม่ได้ไปหวังไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําตามหน้าที่ไปยังนี้มัน ย, ยังไม่ถือว่าเป็นการเห็นแั่ตัว ทำบุญแล้วต้องอธิษฐานไหมครับหรืออธิษฐานอย่างไรจึงจะถูกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับการบุญไม่ต้องอธิษฐานการทําบุญไม่ต้องอธิษฐานคือเวลาเราทําบุญนี่เราอธิษฐานก่อนเรามาทําแล้วคือความตั้งใจคําว่าอธิษฐานนี่ก็คือความตั้งใจแปลตาศัพท์ของทางศาสนานะัก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องมีความตั้งใจก่อนความตั้งใจนี่เราเรียกว่าอธิษฐานเช่น เราวันนี้ตั้งใจจะทําบุญนี่เราก็อธิษฐานนะพอเราจะทําบุญเสร็จสิ่งที่เราทําต่อไปได้ก็คือแบ่งบุญนีใ่ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้ที่เรียกว่าอุทิศบุญด้วยกวดน้ํานี้จะใช้กวดกวดน้ําก็ได้ไ ม, ไม่ไม่ต้องกวดน้าก็ได้ระลึกภายในใจก็ได้ว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วชื่อ น, นั้นชื่อ น, นี้ก็ว่าไปก็สําเร็จประโยชน์ คุณยูส์วิสตัครับผมไม่ค่อยเห็นชอบสัมมาทิฏฐิต่อเรื่อง อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใช้การคิดพิจารณาชอบสัมมาสังกัปปะเมื่อมีความทุกข์ทางกายหรือมีปัญหาทางใจก็าถามว่าจะแก้ไขให้ให้เห็นชอบได้อย่างไรครับก็ต้องคิดบ่อยบ่อังคิดไม่บ่อยพอต้องใช้สัมมาสังกัปปะคิดเรื่อยๆสอนใจให้เราเปรียบเทียบว่าอนิจจังเป็นยังไงเช่นร่างกายเรา เกิดมาล้มันก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมานอันนี้จังแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงโตไปสุดพอโตเต็มทีแแ่แล้วก็เริ่มแก่ลงแก่ลงแล้วก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปในที่สุดกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปอันนี้ก็เป็นอันนี้จำทีนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปอันนี้จำมันก็จะมาเกิดขึ้นในความเห็นของเราเวลาเห็นหน้กายเราก็จะเห็นอันนี้จำทันที ทำอย่างไรไม่ให้คิดมากเพราะคําพูดลบๆของคนในบ้านครับเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาก็แล้วกันถ้าเระวังให้เขาพูดพูดเรื่องบวกเขาก็ไม่พูดเรื่องบวกก็จะทําให้เราเสียใจเครียดงนั้นอย่าไปหวังอะไรจากเขาเขาจะคิดยังไงก็จะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไปเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนซ่อมเราอย่าไปเปลี่ยนให้เขาเป็นกล้วยถ้าอยากให้เขาเป็นกล้วยแล้วไม่ก็ไม่เป็นเราก็จะทุกข์ ถ้าเราไม่หวังให้เขาเป็นกล้วยเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเราก็จะไม่ถูกกับเขาคุณสติครับภาวนาแล้วดับคึบ ก, กายไม่มีสิ่งรอบตัวไม่มีเหลือแต่ขันสี่เหมือนอยู่ในอีกมิติหนึ่งมีสติตลอดแบบนี้เป็นเป็นยานใหม่ครับใช้ขั้นที่สี่หรือยังครับก็ไม่รู้แหละคุณต้องเป็นผู้รู้เองในการปฏิบัติเพราะคนเล่ามาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ไว่า มันเป็นยังไงมันต้องอยู่ที่ว่าคุณยิ่งใจว่างสงบมีความสุขแบบมหัศจรรย์ใจหรือเปล่าถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ใช่เพราะนี่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุกยิ่งกว่าการถกตกรางวันที่หนึ่งแล้วกันให้เราเปรียบเทียบดูสมมุติท่าเกิดคุณถูกรางวันที่หนึ่งคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณได้ฌานสี่มันจะรู้สึกมากกว่าที่คุณถูกรางวันที่หนึ่งร้อยเท่าร้อยเท่าพันเท่า ความสะดวกสบายกายมีกําลังมากเกียรคร้านจิตใจสู้กับความเพียรไม่ไหวมีทําใดแก้ครับก็ อ, อ, อย่าไปอยู่แบบสะดวกสบายเลยต้องอยู่ที่แบบทุกข์ยากลําบากมันจะได้ถูกบงังคับให้เราต่อสู้เราต้องมีความเพียรมีขันติความอดทนที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความทุกข์ยากลาบากไปผ้าปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านท่านถึไปอยู่ในที่มันกันดารที่ทุกข์ยากลําบากทั้งร่างกาย เพื่อจะได้เป็นตัวกระตุต้นให้เกิดความเพียรขึ้นมาไปดูอยู่ทุ่งในปาใ่าขึ้นดูเลยไปปักกลดอยู่ในห้องน้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกุฏิก็ไม่มีมันก็ต้องใช้ความเพียรปยาญาต่อสู้กับความอัตคัดขัดสนต่อสู้กับความหวาดกลัวต่างๆก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ขันติใช้อะไรหลายอย่างด้วยกันเพื่อจะอยู่ในสภาพแบบนั้นได้ ถ้อย right, right ู <ne SQL tasting> ่ในที่สบายมีห้องแอร์ม okay, ีห้องปรับอากาศมีทีวีดูมีอะไรกินมีต๊ะเรียนนี่มันก็มันก็ไม่ทําอะไรมันก็เสกการอย่างเดียวไปคุณนงรักครับเวลาหนูนั่งสมาธิมันมีแสงเหมือนฟ้าแลบอยู่ในหัวมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้อย่างไรครับก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปอยนั่งเฉย ถ้านัาเ่เฉยๆแล้วจิตมันก็จะผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหลอกเราทั้งนี้ไม่มีอะไรนั่งสมาธิทําอานาปานาสติบางทีก็ไม่รับรู้ว่าหายใจทําอย่างไรครับไม่รำล้มก็เราพยายามดึงสติกลับมาถ้าไม่รำลุมก็แสดงว่าไม่มีสติก็ต้องดึงสติกลับมาให้กลับมารับรู้ต่อ คุณมาริสาครับในทางโลกการเจ็บปวดจากโรคภัยต่างๆต้องรับการวินิจฉัยและจ่ายยาจากคุณหมอในด้านจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากความทุกข์ต้องใช้ธรรมโอสถของพระบระมศาสดารักษาใช่ไหมครับใช่ความทุกข์เกิดจากความอยากความอยากไม่ให้ความเจ็บปวดนี้อยู่หรืออยากให้ความเจ็บปวดนี้หายไปพอไม่หายมันก็เลยทุกข์องลองใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันความเจ็บปวดแล้ว เจ็บปวดของเรื่องการนี้เป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราก็ต้องยอมรับมันอยู่กับมันไปแต่เราก็จะไม่ถูกกับมันนั่งสมาธิจิตตกหลุมมาสองครั้งแล้วต้องทำอย่างไรดีครับก็เวลาตกหลุมนั้นก็ให้มันอยู่นิ่ง้านานพยายามรักษาความสงบให้ไปนานๆทำบ่อยๆ เราไม่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เวลาเรานั่งสมาธิคุณแพทครับฝึกนั่งสมาธิไม่ได้ชานครับเลยหันมารู้สึกตัวระหว่างวันทางกายเคลื่อนไหวและดูใจคิดแทนจะทราบได้อย่างไรว่าเราแยกกายแยกจิตได้แล้วครับไม่ได้หรอกถ้าเป็นดูจิตถ้าเป็นดูจิตใจเรายังไม่สงบนี้เราเราต้องใช้ใช้สมาธิแยกก่อนถ้าเรายังแยกสมาธิไม่ได้เราไปดูใจ เราก็เรากระจายก็เป็นคนหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้เราเป็นผู้รู้รู้ใจเป็นผู้ความคิดเป็นคนละตัวกันเราต้องแยกด้วยการเข้าสมาธิไปฉะ้นอย่าไปดูให้มีสติตรู้อยู่อยู่กลางกลางขึ้นไหวของร่างกายไปแล้วพนักงาเวลานั่งสมาธิถ้ายังไม่นั่งจิตกับใจจิตกับกายก็จะแยกออกจากกันไม่ได้ไม่สามารถแยกได้ด้วยความคิด เวลาที่ร่างกายปวดทุกทรมานจากโรคประจําตัวจะกําหนดจิตอย่างไรดีครับวางเฉยวางอย่าไปอยากให้การเจ็บปวดหายไปยอมรับวันเป็นกรรมของเราที่เราจะต้องเจอมันก็นต้องอยู่กับมันไปเราห้ามมันไม่ได้กําจัดมันไม่ได้ก็เราทําใจให้อยู่กับมันไปยอมรับความเจ็บปวดนี้คุณพระหนุนครับ ตอนที่ทำสมาธิแล้วสงบแล้วจิตระงับลงสู่ความสงบได้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ทำไมมาทาอีกครั้งถึงมีความวุ่นวายหาความสงบได้อย่างตอนแรกไม่ได้ครับเพราะสติตอนนี้กับตอนแรกมันไม่เหมือนกันตอนนี้สติไม่มีกำลังตอนนั้นมีสติมากมันก็เลยสงบไดอยู่ที่สติจะจิตสงบไม่สงบไดอยู่ที่กำลังของสติ มันมีความมีกมีความ ม, วา ม, มีกำลังมากก็จะสงบได้ง่ายมีกำลังน้อยก็จะสงบได้ยากเคยได้ยินว่าจิตดวงนี้ไม่ตายวนในวัฏฏสงสารแต่ก็เคยได้ยินว่าจิตดวงนี้เกิดดับตลอดเวลาขอคําอธิบายจากพระอาจารย์ครับจิตนี้มันไม่ตายมันเป็นว่ายตายเกิดแต่สิ่งที่เกิดดับก็คือเอาสภาพในจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จิตมันมาวันก็สดใสเบิก บ, บานบางวันก็เหมือนเศร้า ห, หมองอย่างนี้นี่เกิดดับนี้คือการเกิดดับของอารมณ์ในจิตไม่ใช่ตัวจิตเองเห <c oughs> มือนกับตัวเห็นห้อยนี่ยเห็นห้อย ม, มันมีแสงที่เกิดดับเกิดดับใช่ไหมแต่ตัวมันดับไปกับแสงเวลามันดับคุณอะมาแมนครับการเห็นทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุของทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้วิธีทําให้ถึงความดับแห่งทุก นี่คือสัมมาทิฏฐิทําให้เราเห็นสี่อย่างนี้แบบหมดสงสัยนี่คือสัมมาทิฏฐิครับคือต้องเห็นต้องเห็นตามวองเห็นเวลาเห็นเกิดเหตุการณ์จริงถ้ามาเห็นแบบทฤษฎีนี้มันยังไม่เห็นจริงมันต้องเจอเหตุการณ์จริงเช่นถูกคนเขาตีหัวเราเยางนี้พอเจ็บขึ้นมาใจเป็นยังไงบ้างใจโกรธไหมใจร้อนขึ้นมาไหมใจทุกข์หรือเปล่าท่านใจทุกข์ก็เพราะว่าเนี่ย กิจากอะไรเกิดจากความอยากอยากจะไปทําร้ายก็อยากจะต้องอยากจะร่านแค้นแล้วก็ทําร้ายเราแล้วก็จิวิธีทำให้ใจใหายทุกว่าเคยทำอะพิจารณามันผ่านไปแล้วมันเป็นอนิจจังเหตุการณ์เกิดขึ้นวล้วมันก็เดาไปเราถ้าเราวางเฉยไม่ไปคิดอาฆาตพยาบามใจเราก็จะไม่ถูกกับกับการที่ถูกเขาตีหัว มันต้องเจอของจริงต้องเจอความทุกข์ใจใจไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจหรอก เ, เรื่อศักดิ์ศรีเป็นยังไงแค่คิดยังยังรู้สึกผังไม่ได้ครับอาจารย์ยังมีคนมาตีหัวอยังรู้สึกตบห <c oughs> ัวเราเนียก็ตบหัว <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> มติกันแค่ตบหัวเราเราก็ถือว่าเสียศักดิ์ศรีแล้วใช่โกรย่าง สัตภรยาตายบวชพระให้หนึ่งเดือนภรรยาได้บุญไหมครับไม่รู้บุญอะไรนะเพราะบวชแล้วมันจะได้บุญด้ อ, อย่างกัไนไหมเนาะการบวชนี่มันจะได้บุญมันก็ต้องไม่เฉึกนะบวชแล้วต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะคุณธนพงศ์ครับผมศรัทธาอยากบวชในพระพุทธศาสนาแต่พ่อแม่อยากให้แต่งงานหาเงินทํางานมีครอบครัว ทำยังไงดีครับแล้วถ้าได้บวชเราจะดูแลพ่อแม่อย่างไรครับเมื่อท่านแก่ชราลงเป็นพระไม่ควรรับเงิน อ, อ๋อพระพุทธเจ้าการอนุ ญ, ญาตให้ภาพแบ่งอาหารที่ได้จากบิณฑบาตนี้เลี้พ่อเลงแม่ได้เวลาที่พ่อไม่มีใครดูแลภีพระก็สามารถดูแลได้ ลูตาท่านก็ดูแลแม่ในวัดเลยใช่ไหมครับใช่ท่านก็เอาไปบวชชีอยู่ในวัดเลยแล้วก็มีกุฏิให้ที่พระให้อยู่สร้างที่พระให้อยู่แล้วก็มีอาหารที่ท่านได้จากบิณฑบาตส่งไปใ ห, ให้อยู่แม่แล้วก็ยังไปสอนธรรมะอีกด้วยไปสอนธรรมะให้ท่านได้บรรลุธรรมด้วยนี่ันเป็นภท่านนี่เป็นผู้ที่จะตอบแทนบุญคุณได้ดีที่สุดเลยเพราะเรียกาเกาะชายผ้าเหลือง เนี่ยคือการเกอะใจพระหลยเพราะถ้าเป็นคนธรรมดาเลีเ้ยงท่านได้อย่างมากก็ทำด้านรา่างกายดู้ลท่านได้แต่ท่านด้านจิตใจถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็จะสอนธรรมะให้กับท่านไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระแล้วเป็นพระที่เป็นพระอริยะก็สามารถสอนธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนได้ให้เป็นพระโสดาบันสอน พ, าานพาอาระให้เป็นพระอรหันต์ได้ลงได้ไมสอนไม่ให้เป็นพระอริยได้ พี่ชายป่วยเป็นมะเร็งปอดเราเป็นห่วงเขาอยากให้เขาหายเราคิดมากไปไหมครับเราไม่ดูความจริงว่าเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็ดีอยากให้ก็าหายหเขาหายก็ดีแต่ความอยากของเรามันไม่ได้เปิปทำให้เขาหายหรือไม่หายหรอกมันอยู่ที่การรักษามากกว่าใช่ไหมอยู่ที่หมอว่ามีความสามารถที่จะรักษาให้เขาหายได้หรือไม่หายได้ความอยากของเราอาจจะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาก็ได้เมื่อเขาไม่หาย ถ้าเราไม่อยากจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราเราก็อย่าไปอยากแล้วก็ดูตามความเป็นจริงไปเขาหายกด็ดีเขาไม่หายก็เป็นมันก็ไม่หายให้ทำอย่างไรได้แล้วก็ต้องทําใจเท่านี้คุณอํานวยพลครับเราทําตัวเป็นลูกที่ดีแล้วทําไมแม่ถึงไม่ค่อยรักเราหรือห่วงใยเราที่กับคนอื่นทําแม่ถึงไปรักและห่วงใยกัคนอื่นมากครับเพราะเราให้คะแนนตัวเราเองไง เราต้องเวลาจะตรวจตาคุณสมัยเวลาเราต้คนอื่นเขาตรวจดูไม่เช่นตัวเราเป็นคนวินิจฉัยเองคนเรามักจะเข้าข้างตัวเองอมีคําพูดว่าอความเมยของเราแม้เท่าจะผงธุลีก็เป็นหลายคนจะมองเห็นเป็นเหมือนภูเขาส่วนความเของเราก็จะเป็นขนาดภูเขาก็จะเห็นว่ามั น, นแค่ผงธุลีไม่ได้หรอกถ้าเราประเมินตัวเราเองนี่เราก็มักจะเข้าข้างตัวเราเอง ในหน้าเขาถูกแล้วนะที่เขาไม่รักเราก็เพราะเขาต้องให้คนอื่นเขาประเมินตัวเราก็ถึงจะเห็นภาพจริงที่แท้จริงของเราบุญที่ทําตอนนี้จะส่งผลชาตินี้หรือชาติหน้าครับทําทันทนีก็ส่งผลทันทีในใจทําบุญปั๊บก็มีความสุขใจขึ้นมาแล้วความสุขใจนี้ก็จะสะสมอยู่ในใจแล้วก็จะส่งผลเวลาที่นั่งกายของเราตายไปแล้ว บุญนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เราไปอยู่ในสวรรค์ต่อไปคุณสัจจิรัตน์ครับหากเรารู้สึกท้อทำยังไงให้รู้สึกความรู้สึกนั้นหายไปได้ครับก็บอกว่ามันเป็นอารมณ์ชื่อคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราไม่ได้ท้อตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เนละท้อก็เป็นอนิจจังอนัตตาก็รู้ดูตามความจริงแล้วก็ใจเย็น ถ้าเราหยุดคิดความทอ้อก็จะหายไปถ้าอยากให้มันหายเดีวก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิไปพอจิตสงบความทอ้อก็จะหายไปการใส่บาตรพระรูปเดียวหนึ่งชุดสามารถอุทิศให้หลายๆคนได้ไหมครับจะอุทิศเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องแบ่งกันนะอ่ะเข้าใจไหมถ้าบุญน้อยหนึ่งอุทิศได้10บคนก็จะแบ่งคนละสิบบาทคนละคนละสิบาทไปถ้าร้อยคนก็แบ่งกันไปคนละบาท แบ่งได้มันก็ต้องแบกไม่ใช่ว่าทำร้อยบาทแ้วาบูธิเทนทุกคนสิบคนคนละร้อยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณมารีรัตคราบกราบขออภัยโทษถ้าฟังพระอาจารย์ตอบคำถามกับยากรรมได้ไหมเพราะตรงกับที่เราอยากรู้พอดีโยมเลยไม่ค่อยได้สนทนากับพระอาจารย์ได้แต่ฟังครับไม่เป็นไรมีคนฟังเยอะแยะที่ไม่ได้เข้ามาถามอะไร ถามก็ได้ถามก็ได้แล้วแต่จริยาศัยพระอาจารย์ครับลูกบอกสอนยากมากเลยเถียนตลอดไม่เชื่อฟังพ่อแม่ต้องทํำยังไงครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของเขาเขาดือ้อก็ต้องก็ต้องยึดปล่อยให้เขาดื้อไปเมื่อเราสอนเขาแล้วเขาไม่รับฟังแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะพระพุทธเจ้าก็มีคนเคยมาถามว่าท่านสอนให้ลูกศิษย์ของท่านไปไปนิพพานกัน แต่ทำไมลูกศิษย์บางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงพรูเจ้าบอกเราก็ไม่นุ้งจะตอบอยังไงเขาเขาเป็นของเราอย่าง <c oughs> คุณแหม่มครับเมื่อความทุกข์กำลังดําเนินอยู่ให้คิดอย่างไรครับก็ <c oughs> คิดว่ามันอันนี้จังไม่เที่ยงนะมันก็ดับหรือถ้าให้มันดับแล้วก็ไปหาความหาเหตุของความทุกว่ามันเกิดจากอะไรถ้าหาเจอแล้วเราเห็ น, น, นได้ความทุกข์ก็จะหา ชวนผู้ป่วยผ่าตัดสมองที่ยังฟื้นฟูอยู่ไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้เขาจะได้บุญไหมครับถ้าเขาทำได้เขาก็ได้บุญอยู่แล้วคนชวนก็ไม่ได้บุญอะไรคุณชาญยุทธครับเมื่อคืนผมฝันเห็นหลวงตามาหาบัว ก, กับพระอาจารย์สุชาติครับ ฝันว่าพระอาจารย์ทั้งสองกําลังเดินกลับจากบินทบาทเอ็นพระอาจารย์สะพายบาสให้หลวงตาด้วยกําลังเดินกลับไปวัดป่าแถวบ้านผมผมได้กราบพระอาจารย์ทั้งสองด้วยการที่เราฝันเป็นเพราะจิตเราโมโนขึ้นมาเองหรือเปล่าผมทํางานอยู่เกาหลีครับตอนทํางานจับฟังเทศหลวงตามหาบัวทั้งวันเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดปรุงแต่งของเราเวลาเราเผลอคิดถึงในเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ดี แต่ทำไมใจเราถึงคิดแบบนั้นได้เราจะทำอย่างไรไม่ให้มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ครับเพราะมันเป็นนิสัยเดิมของเราที่ชอบคิดเรื่องไม่ดีต่างๆมันก็จะคิดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยๆวิธีแก้ก็คือหยุดมันด้วยการใช้สติพุทโธพุทโธไปไสอนใจว่าความคิดแบบนี้ไม่ดีพยายามห้ามอย่าให้มันคิดทุกครั้งที่มันคิดก็พยายามหยุดมันอย่าไปคิดถึงอย่าไปคิดอย่าไปส่งเสริมให้มันคิดต่อ ต่อไปมันก็จะไม่คิดคนที่กําลังจะตายควรทําอย่างไรให้จิตสงบครับก็ต้องฝึกก่อนตายไม่ใช่มาทําตอนที่ตายตอนที่ตายแนละ้วมันทําไม่ได้นะต้องทํำตั้งแต่ ย, ยังไม่ตายฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆให้จิตําสงบได้พอเวลาเจอคําตายจะได้ทําจิตให้สงบได้ถ้าไม่เช้าไม่ก่อนพอถึงเวลาตายมันจะทําอะไรไม่ได้มันจะตื่นเต้นตกใจ วาตรกลัวไปหมดคุณสิรินครับลูกสาวเรียนจบได้ทำงานได้ไม่ถึงเดือนมีเพื่อนชายมาชอบลูกสาวลูกเข้าใจว่าอย่าไปยึดกับลูกแต่ในฐานะแม่คนหนึ่งก็อดห่วงไม่ได้บางครั้งก็เอาธรรมเข้ามาสอนใจว่าเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปสักวันเราก็ต้องตายแต่ในบางครั้งใจลูกก็ทุกข์ใจอยู่ดีกาบขอข้อธรรมจากพระอาจารย์ว่าเราควรจะวางใจให้หายกังวลเรื่องลูกสาว ที่จะขบเพื่อนชายหรือแนะนําอย่างไรกับลูกสาวครับก็มันเป็นธรรมนาของเขาเขาก็ต้องไปมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนชายเหมือนกันเราเราก็มีเพื่อนชายมีสามีแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องไปมีเพื่อนก็เรื่องของเขาไปสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือแนะนําว่าคนจะเลือกคนแบบไหนเช่นเลือกคนดีคนมีศีลธรรมคนซื่อสัตย์สุดจงเลดคนมีศีลห้าเป็นต้นอย่างเนี้ยเราก็แนะนำเขาได้วิธีให้เขาเลือก ส่วนเขาจะเลือกอะไรไม่เลือกอะไรเนี่ยเราก็บังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจเว่าะมันเป็นมันเป็นชีวิตของเขาเป็นการดำเนินของเขาเมื่อเราไม่สามารถเข้าไปก้าวไายในชีวิตของเขาได้นอกจากให้คำปรึกษาพระอาจารย์ครับการใช้สติต้องพิจารณาอย่างไรครับไม่พิจารณาใช้สติให้ท่องพุทโธพุทโธไปตลอดเวลา อยาให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นให้พุโทโธพุโทโธเพื่ยุดความคิดต่างๆเพอใจจะได้รู้มีสติรู้แต่ไม่คิดปุ่งแต่บุครับการแยกกายแยกจิตอยู่ในขั้นภาวนาหรือวิปัสสนาจะเกิดขึ้นเองหรือเราคิดแยกครับก็ต้องขั้นขั้นภาวนาคือทำทำสมถสาภาวนาเพื่อให้จิตแยกออกจากกายก่อนแล้วเมื่อออกจากภาวนาออกจากสมาธิมา พอจิตกับกาย้เข้ามาลวงกันก็ใช้ปัญญาแล้ววิปัสนาคอยเตือนใจว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นผู้สั่งให้กายขึ้นไหปกายนี้อันนี้กลายเป็นอ น, นิจจําทุกข์ขันธ์ตาต้องแก่เจ็บตายอันนี้สอนให้จิตแยกออกจากกายแล้วปล่อยวางปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปอันนี้ต้องใช้ความคิด จะวางจิตอย่างไรไม่ให้บาปเมื่อมีความเห็นต่างจากพ่อแม่แต่ไม่มีเหตุผลนะครับการมีความคิดต่างแล้วไม่เป็นบาปแต่อย่างใดการกับมันต้องคิดทําบาปเช่นคิดไปทําร้ายพ่อแม่อย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นอกุศลนะแต่ยังไม่บาปเพียงแต่คิดยังไม่บาปแต่คิดแล้วไปทําร้ายทําด้วยกายด้วยว า, าจานี่ถึงจะบาป เพียง แ, แต่ถ้าคิดก็วรที่จะยอมรับความคิดว่านี่เป็นความคิดที่ไม่ดีคิดทำร้ายบุพาการีนี่เป็นเป็นความคิดที่ของคนในละคุณไม่นคนที่จะคิดคุณมานิสาครับคนจีนที่ฝักใฝ่ในทางธรรมมีเยอะมากเหมือนกันพอาจารย์อยากขอโอกาสเรียนถามว่านิกายเถรวาสกับมหาญาณสอนเรื่องการไปนิพพานเหมือนกันไหมครับ น้อก็ไม่ได้ศึกษาทางมหาญาณไงไม่สามารถจะตอบได้ไปทําบุญมีคนขัดคอจะได้บุญไหมครับถ้าเราทําบุญการจะขัดคอใครจะพูดใครจะว่าใครก็เราเปไปไล่บุญของเราแต่ถ้าเขาขัดแล้วเราไม่ทำํำเราก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าเขาขัดคอแล้วเราไม่สนใจแล้วก็ทำํทำทําของเราไปเราก็จะได้บุญ คุณสัสนวัลต์ครับอยากสอบถามว่าทําไมการสวดมนต์ถึงไม่ได้บุญครับได้แต่เพียงแต่ ว, ว่ามันได้ไม่เท่ากับบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบุญมันน้อยกว่าการสวดมนต์นก็เป็นการเจริญสติมันไม่จะทําทให้ใจเบามีความสุขขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ความสุขอย่างเต็มที่เหมือนกับเวลาัเข้าสมาธิ คิดถึงลูกที่เสียชีวิตตลอดเวลาจะเป็นบ่วงที่ดึงลูกไว้ไหมครับก็มไม่ได้อยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราปล่อยวางเขาได้หรือไม่ต้องถามตัวเองว่าเราปล่อยเขาได้หรือไมการคิดถึงเขาไม่เป็นปัญหาคิดได้แต่เราปล่อยเขาได้ไหมปล่อยเขาเป็นอะไรถ้าเราไม่สามารถชื่วยหรืออะไรเขาได้ปล่อยเขาตายได้ไหมปล่อยเขา ถ้าเขาอยากจะทิ้งเราอยากจะไปอยู่ของเขาเองไม่อยากจะอยู่กับเราเราปล่อยเขาได้หรือเปล่าต้องดูที่ตรงนั้นนะคุณวรรณพาครับเขาก็มัดตัวเล็กๆ เ, เข้ามาในบ้านเยอะมากเลยมากินอาหารในสํำรับกับข้าวเรากําจัดจะบาปมากไหยเพราะทนไม่ได้ทําใจแล้วไล่ก็ไม่ไปครับถ้ามีการฆ่ากันก็บาปนะ คุณแดงครับขายกว๋วยเตี๋ยวนําเนื้อหมูมาทําก๋วยเตี๋ยวแบบนี้บาปไหมครับถ้าเป็นหมูตายแล้วเนื้อหมูที่ตายแล้วก็ไม่บาปถ้าเป็นสั่งให้เขาฆ่าหมูมาให้เราทําก็บาปไปฆ่าหมูเองก็บาปถ้าไม่มีการฆ่าไม่มีการสั่งให้ฆ่าเราไปซื้อของที่ตายแล้วมาทําไม่บาปไถโคกระบือได้บุญหรือได้บาปครับ ได้บุญเน่ถ้าเราคนถ้าเราจะถูกประหาชีวิตแล้วเขามาถ่ายชีวิตเรานี้เราจะรู้สึกอย่างไรคุณมินิมอลครับนั่งสมาธิแล้วบริกรรมด้วยบทสวดมนต์เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมครับใช่เวลานั่งสมาธิต้องมีการเจริญสติแบบใดแบบหนึ่งการบริกรรมก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่ง คุณธนพงศ์ครับถ้าเคยหลับนอนกับแฟนแล้วได้รับรู้ถึงอารมณ์การมาคะถ้าต้องการตัดราคะภาวนาพุโทโธแล้วเอาไม่อยู่หรือเปี่ยนาอาสุภะแล้วตัดได้บ้างไม่ได้บ้างจําเป็นที่จะต้องได้ความสุขจากสมาธิก่อนใช่ไหมครับถึงจะสามารถลืมความรู้สึก ข, ของการมาคะและตัดการมารคะาได้ครับได้ใช่ถ้าไม่มีครับสุขจากสมาธิมันจะตัดยากมันถ้ามีความสุขจากสมาธิแล้วมันสามารถเอ หาความสุขจากสมาธิได้ไม่ต้องไปเพิ่ความสุขจากการมาราธอนก็จะตัดได้ง่ายกว่ากราบพระอาจารย์ครับฟังธรรมะไปด้วยอาบน้ําไปด้วยเป็นบุญหรือเป็นบาปไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราฝังว่าได้ประโยชน์หรือไม่ถ้าเราได้ปัญญามันก็เป็นบุญเป็นกุศลคุณรัตรนมณีครับ การเดินจงกรมมากกว่าการนั่งสมาธิเหตุผลการเดินมากกว่าเพราะมีสติอยู่กับการเดินจิตอยู่กับกายทุกอิรยาบถครับก็เบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีสติการเดินจงกรมมันก็จะทําให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อไปพอมีสติมากขึ้นเราก็จะนั่งสมาธิได้แล้วต่อไปเราก็อาจจะอยากจะนั่งสมาธิมากกว่าเดินก็ได้เพอตอนนี้ยังนั่งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องเดินก่อน เด็กสมาธิสั้นนั่งสมาธิจะช่วยทําให้ดีขึ้นได้ไหมครับถ้ามันสร้างก็นั่งไม่ได้นั่งมันก็ต้องฝึกสติก่อนฝึกให้เขามีสติให้เขาทาอะไรด้วยสติทำงนใดที่เขาต้องใช้สติทําเช่นมีของเน้นบางอย่างให้ก็ประกอบของเน้นนั้นขึ้นมาเราก็ต้องมีสติทำํำนี่ก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิให้เด็กมีมากขึ้น คนที่ทําอนันตริยกรรมห้าตอนที่ยังไม่ตายจะได้รับผลกรรมอย่างไรครับรู้แน่ๆคือตายแล้วต้องตกตนลกขุมอเวจี v G, แต่ผลกรรมที่จะได้รับก่อนตายเป็นอย่างไรผมเคยอ่านคําสอนของหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าคนที่ทําอนันตริยกรรมห้าจะมีความสุขแทรกเข้ามาชั่วฟ้าแลบไม่มีใช่ใจจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอเราทําบาปแล้วใจอาจจะไม่มีความรู้สึกสบายใจยิ่งทาบาป ท, ที่หนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ การนําเงินไปบูชาเครื่องรางของขังอย่างนี้เป็นบุญไหมครับก็อันนี้เปนการซื้อขายไม่ใช่บูชาไปถึงเราไมนได้เขาแล้วเขาก็ให้เครื่องรางของขังมาอย่างนี้ก็เป็นการซื้อขายไม่ได้เป็นไม่ได้บุญแต่อย่างใดคุณวิตรีครับมีปัญหาเรื่องใจที่ไม่สงบจะทําอย่างไรให้จิตใจสงบครับก็ต้องมีสติต้องฝึกสติให้ ม, มากา พยายามอะไรกาพูดโทยอยู่เรื่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิให้มากแล้วต่อไปใจก็จะสงบได้การเดินจงกรมแบบเดินช้าๆกับการเดินจงกรมแบบเดินตามปกติได้ผลต่างกันหรือไม่ครับไม่ต่างกันนะมันอยู่ที่อยู่ที่เราพอใจเดินแบบไหนเดินแบบไหนในสติมากกว่ากันบางคนต้องเดินช้าๆสิ่งนี้ในสติก็ปล่อยก็เดินช้าๆไป ถาเาเดินปกติเราได้สติก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินช้าๆก็ได้คุณเตชะรัตครับหากใช้ปัญหาในการน่าจะใช้ปัญญาในการนั่งสมาธิต้องทําอย่างไรครับเวลานั่งสมาธิเราไม่ใช้ปัญญาเราใช้สติฝึกสติใช้คํำบาลีคำพุโทโธพุโทโธแล้วดึงลมห า, ายใจเข้า ภาวนาพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไหมครับใช่คุณหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับผมเคยฆ่ า, มาแมลงสาบตอนเด็กตอนหลังโ ต, โตผมเมื่อก่อนเคยฆ่ า, มาแมลงสาบฆ่ายุงฆ่ า, มาแมลงสาบตอนหลังผมไม่ฆ่าสัตว์แล้วครับนี่คุณเสรีครับ ปัจจุบันยังมีงานที่ผูกพันมาตลอดเมื่อเริ่มปฏิเสธงานแต่ทำงานขั้นต่ำตามหน้าที่แบบนี้ผมยังไม่สามารถวัดได้ว่าเป็นความเกียรติค้าหรือเป็นการละเพื่อจะปลีกตัวมาปฏิบัติธรร ม, มถ้าเรามีหน้าที่ต้องทำเราเราทา ม, มันก็ไม่ใช่เป็นความเกียรติค้าหรือว่าถ้าเราต้ตองการลดงานของเราให้น้อยลงแล้วเราเอาเอาเวลานี้ไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นความเกียรตค้า เปนงานเปลี่ยนงานงานทางเล่าลงให้น้อยลงแล้วก็เพิ่งานทางธรรมให้มากขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ไม่ใช่ความเกยียรติการสวดมนต์อย่างเดียวได้บุญไหมครับก็ได้ได้สติไงคือบุญมันมีหลายระดับบุญระดับสติบุญระดับสมาธิบุญระดับปัญญาคือความสงบความสุขมันมีภาพมากขึ้นไปตามกันไปตามระดับ คุณมณิสาครับลูกชายเรียนปโทวิศวะที่ไต้หวันเวลาเขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนจะมีการดื่มเหล้าหนูสมควรตักเตือนเขาไหมครับก็อยู่ที่ว่าเ้ายินดีรับฟังคาตักเตือนของเราหนระือไม่ถ้าพูดไปแล้วเขาไม่สนใจก็ก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาถ้าเตือนก็นล้าเขาหยุดได้ก็ก็ควรจะเตือนบางทีเขาอาจจะเลืมตัวไปก็ได้ นั่งสมาธิรู้สึกว่าลมหายใจหายแล้วก็ตกใจกลัวตายเป็นอะไรไหมครับก็ต้องเริ่มใหม่ก็ต้องพยายามดูดูต่อไปอย่าไปตกใจกลัวให้รู้ว่าตามใ้ที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่นี้เราไม่มีวันตายจากการนั่งสมาธิคุณหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับผมเริ่มรู้ลมหายใจเริ่มยาวแล้วครับแต่นั่งไม่นานมีอาการสับปะงบก็เลยต้องหยุดก่อนครับต้องเจริญช้าน้อยไป แลได้ไม่มง่วงถ้ากินข้ามากๆอิ่เกิดไปมันกจะ ง, ง่วงเวลานั่งสมาธินอนฟังพระแล้วหลับไปเป็นบาปหรือเปล่าครับไม่บาปครับขั้นของสมาธิปัญญาเข้าใจว่ามีหยาบละเอียดประนีดการจะมีภูมิธรรมขั้นพระโสดาบันเราต้องใช้กำลังของสมาธิปัญญาขั้นไหนมาละกกิเลสครับ ก็ขั้นขั้นของพ่อโสดาบันนะต้องมีปัญญาที่จะสามารถเห็นเห็นขันห้างว่าเป็นอนิจจังทุก ข, ขัขันนาตาได้แล้วก็ต้องมีสามาธิขั้นระดับฌานสีมีอุเบกขามีข้อสงสัยครับว่าเห็นว่ามีแม่ชีมาปลูกอาสมอยู่บ้านปฏิบัติเองอย่างนี้ได้ไหมครับก็แม่ชีก็เป็นคารวะญาติโยมธรรมญาที่ถือศีลแปดแล้วก่อนศีสรใช่ไหม ไม่อยู่ภายใต้สังกัดของใครมันเป็นคารวาสผู้ครองหนึ่งคนเนี่ยก็สามารถทำอะไรได้ถ้าไม่ขัดกฎหมายคุณเบนซ์ครับตอนนี้กำลังบวชเพื่อจะเข้าหาอาจารย์ปฏิบัติแต่ในพรรษาไม่มีกรรมฐานให้ศึกษาเราควรเข้าหาอาจารย์เวลาว่างช่วงไม่ได้เรียนไหมครับก็เวลาเรียนกม็มีอาจารย์สอนอยู่แล้วไม่ใช่เนดะ้อ ไม่เข้าใจาความหมายช่วยหาอาจารย์อาจารย์ปฏิบัติก็ต้องรอจังหวะตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องอยู่กับการเรียนหนังสือไปก่อนอยู่ขั้นปริยัติธรรมไปก่อนพอเราผ่านขั้นปริยัติธรรมเราก็ไปสังหาครูบาอาจารย์ที่เรามีความศรัทธาแล้วก็ไปอยู่ศึกษาปฏิบัติกับท่านต่อไปการสวดมนต์ก่อนนอนไม่ได้นั่งหรือนอนสวดแล้วหลับไปส่วนมากจะไม่จบ ส่วนไม่จบนะครับหลับก่อนไปบาหับไหมครับไม่บารแต่ไม่ได้สติคุณยิบซัมครับจิตรวมพอถอนทำอะไรต่อไม่เป็นจึงนอนแต่กลางดึกตื่นขึ้ น, นมาเหมือนมีคนมองแล้วกระโดดมาทับเราแต่ใจก็เห็นเกิดดับตั้งอยู่และสิ่งนั้นก็กระเด็นออกไปที่เราเห็นขึ้นตั้งอยู่ถือเป็นขั้นเจริญปัญญาไหมครับ ไม่ใช่หรอกก็ถึงว่ามันเป็นเรื่องเห็นเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปปัญญามันต้องเห็นเห็นขันท่าเป็นอนิจจทุกขงกังอนัตตาวิธีเดินปัญญาต้องทําอย่างไรครับก็พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวเราของเราพิจารณาเวทนาความรู้สึกว่าเป็นอนิจจทุกขงกังอนัตตาพิจารณาอารมณ์ ของจิตว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเพื่อปล่อยวางเพื่อตัดความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใก็ เ, เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาคุณสิริทอนครับเวลานั่งสมาธิเห็นแสงสีรูปต้องทําอย่างไรครับต้องเพ่งมองหรือเปล่าครับไม่ต้องให้ไปนสนใจให้กลับมาที่พุโทโธแลือกลับมาที่ลมหายใจแล้วแต่ว่าเราใช้อะไร เวลานั่งสมาธิไม่คนรจะนั่งเฉยๆนั่งดูจิตเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะมีของตัดแปลกๆอะไรนิดๆโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแต่ถ้านั่งด้วยสติมีพุโทโธหรืมีลมหายใจเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะค่อยๆสงบลงจะว่างลงไปแล้วก็นิ่งสงบในที่สุดจะไม่มีปัญหาอะไรตามมามีผู้มาใหม่บอกว่าฝึกนั่งสมาธิครั้งแรกเลยครับควรทําอย่างไรครับ ก็นังแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปดูที่ปลายจมูกอย่าไปคิดอะไรดูลมไปเรื่อยๆคุณแนนครับรู้ลมหายใจรู้กายอย่างเดียวได้ไหมครับหรือต้องคอยบอกด้วยว่ากายเป็นธาตุกายไม่ใช่เราครับก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเบื้องต้นเรายังไม่มีสติเราก็ดูยูดูการเคลื่อนไหวของกายไปเรื่อยๆก่อนเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราว อันสติเราจะไม่คิดอะไรเราจะฝึกสติให้จิตหยุดคิดแนละ้วได้เข้าสมาธิพอเราเข้าสมาธิแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันแยกกันพอเราเห็นความจริงอันนี้เนมะื่อเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาคอยตื่นใจสนใจว่าอย่าลืมนะว่าร่างกายกับใจเป็นเป็นคนละส่วนกันอันนี้มาถึงต้องใช้ความคิดคอยตื่นใจอะต้องอยู่ระดับปัญญา หลังจากที่ผ่านสมาธิไปไปแล้ไปก่อนถ้ายังไม่ได้สมาธิพูดไปสอนไปมันก็ไม่เข้าใจมันไม่เห็นมันยังไม่เห็นความจริงไม่ได้อยู่ดูแลพ่อแม่เพราะทำงานแต่ว่าโอนเงินเดือนให้แม่ทุกเดือนโทรคุยกับแม่ทุกวันได้บุญเช่นกันใช่ไหมครับได้เวลท่านด้กันเสียสละแบ่งปันเงินทองเรา นั่งสมาธิแล้วเป็นเน็บชาต้องทําอย่างไรครับไม่ต้องสนใจนั่งต่อไปดูมลมต่อไปท่านดูมลมเล่าบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับอาการเน็บชาไปมันเจ็บไปท่านเหงื่อใจสงบใจก็จะไม่เตรียรมอน ก, กับอาการเน็บชาของร่างกายคุลัตะนมณีครับ เวลานั่งสมาธิโยมเอาสติมากําหนดลมที่ลมออกจนดูเหมือนลมเป็นสายพานใหญ่ใหญ่ไหลเข้าไหลออกพอนานเข้าก็มืดครับอย่าไปดูแบบนั้นให้ดูเฉยเฉไม่ต้องไปดูว่ามันสายพานสายอะไรให้ดกว่ามันเข้ามันออกหรือว่ามันสั้นหรือยาวคุณวชิลาบอกว่าขอวิธีแก้ไขครับนั่งสมาธิแล้วจิตตกหลุมบ่อยๆเป็นมาสองปีแล้วครับ ไม่ทราตรงหลุมแบบไหนถ้าตรงหลุมเมื่กินนิ่งสงบ ม, มีความสุขก็นั่นหละ ก, ก็คือผลยอดที่เกิดจากการสมาธิก็ไม่ต้องทำะไรคุณมาเรียรัตครับลูกผิดไหมครับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คอยของเงินแม่และแม่จะได้บุญไหมเป็นเพื่อนฝากถามครับก็แล้วแต่ว่าเราไปรบกวนแม่หรือเปล่าไปรบกวนแม่มันก็ไม่ควร พอแม่ท่านก็จะต้องมีเงินดูแลตัวท่านเองอยู่เราก็ไมเปเบ็ดเบียนท่านและการไปของเงินจากท่านทางที่ดีถ้าอยากจะได้บุญนี่คนยาะ เ, เงินให้แม่มากกว่าแล้วงแมก็จะมีความสุขจากการที่ได้รับเงินจากเราคุณเหมียวบอกว่ามีอาการวูบหัวและตัวโยกขึ้นลงจนเกือบถึงพื้นไม่สามารถจะบังคับได้ครับ ก็ไม่ไม่มีสติไงมันก็เป็นอย่างนั้นคุณแนนครับถ้าเห็นว่าจิตพูดขึ้นมาว่าอยากไปเปิดตู้เย็นกินไอติมแล้วเรากินได้ไหมครับหรือเราไม่เห็นด้วยไม่เห็นตัวอยากกินอยากกินเลยไม่ดับครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะอยู่ความอยากหรือไม่ถ้าเราอยู่ความอยากเราก็ต้องไกินไม่ทําตามความอยากแล่วต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงและในที่สุดมันก็จะหายไป เราก็จะไม่ต้องละมานเดือดร้อนคอยหาให้ตินมากินอยู่ได้เรื่คุณมาค้าสีครับขอข้ามอธิบายการมาตันหาเพราวะอภิวาภวิวะตันหาหน้าที่เราต้องทําอย่างไรครับหรือหลีกหนีหรือให้รู้เฉยๆครับคือการพัฒนาเกิด ค, ความอยากเสพกามในรูปแบบต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงกินขนมนมเลยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนอนละ ร่วมหับนอ่วมเพศกับคนนั้นคนนี้เรื่องการมาตรฐานนะเราก็เลิกมันอย่าไปทํามันเวลาเกิดความอยากก็อย่าไปทําตามความอยากเพราะว่าตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากจะเป็นใาญ่เป็นโตอยากจะเป็นสสอยากจะเป็นนาำหนน้ำเยอะอยากจะเป็นผู้จัดการอะไรก็เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์อยากไม่เดือดร้อน อยาไม่ให้คนนั้นเขคนนี้เขามาว่าเรามาทำเนิเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาเวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนจิต ด, ดับไม่รับรู้ลมหายใจกับร่างกายแต่ไม่ได้หลับต้องทำอย่างไรต่อครับก็รู้เฉยๆไปนั่งเฉยๆไปนั่งดูไปคุณมูลไลท์ครับ ขอความเมตตาจะจัดการอย่างไรเวลาสัญญานําเรื่องในอดีตที่เราเสียใจและทุกข์หนักมากมาติดในอารมณ์เศร้าจนหาทางออกไม่ได้จะทิ้งสัญญาเก่าได้อย่างไรขณะนั้นรู้ทันว่าสัญญาเกิดทักมันแล้วแต่อารมณ์ไม่หายครับใช้คำในคำพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้เมืองเบนใจเรานึงใจะให้มันาอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับบทสวดมนต์สักระยะหนึ่งมันก็จะเลยเรื่องที่มันคิดถึงไป คุณสายชนครับทําบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ร้องลับย้อนหลังได้ไหมครับหมายถึงถ้าทำเมื่อเช้ า, ชานี้แนละ้วยังไม่ได้อุทิศบุญรอถึงตอนเย็นอย่างนี้ได้แต่เราอาจจะไม่ได้บุญแบบสดๆเราน่าจะเจือชื่อไปหน่อยก็ได้เพราะมันช่วงระหว่างวันเราอาจจะมีอารมณ์ในเรื่องเวลาต่างๆเข้ามาคอยกวนใจเราทําให้บุญที่เราทําเวลาเราคิดถึงมันมันไ ม, ไม่สดชื่นเหมือนตอนที่เราท ำ, ต อ, ทาทำตอนเสร็จไปใหม่ ก็เป็นเือนส่งอาหารเก่าไปทำที่จะส่งอาหารมันใหม่ไปก็ส่งอาหารเก่าไปก็ยังได้บุญอยู่ก็ยังเป็นอาหารอยู่ทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดยิ่งยิ่งส่งจะเรียนจบปอโทเมืองนอกกลับทิ้งแม่ไปครับก็เป็นเรื่องของเขาแสดงว่าก็เป็นคนไม่มีความกตัญญู คุณุที่ชัยครับนั่งสมาธิแล้วจิตรวมครั้งแรกรู้ความรู้นั้นฝังในใจไม่เคยลืมทำให้นิสัยผมเปลี่ยนไปเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในพระพุทธเจ้าคือเชื่อเพราะผมเห็นโดยการปฏิบัติตอนนี้ใจเหมือนเป็นแบบกับแต่ก่อนมากไม่อยากใช้ชีวิตแบบทางโลกเป็นมาหลายปีแล้วครับคือมีความทุกข์กับอารมณ์ที่เกิดเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจเดี๋ยวก็ราคะเกิดมันราคาญอารมณ์แบบนี้ขอสอบถามพระอาจารย์ทับว่าควรทเช่นไรครับ ก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นปฏิบัติสติสมาธิปัญญาให้มากขึ้นเราก็จะสามารถกำจัดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้นอนสมาธิได้ไหมครับนั่งนานไม่ได้ครับได้แต่เพียงนะาน จ, จะไม่ได้สมาธิประมาณอาจจะได้หลับแทนภูเกิตปิพรครับ การสวดมนต์ด yes. ้วยตนเองหรือการฟังพระท่านสวดมนต์แล้วทำสมาธิตามอย่างไหนจะได้บุญกุศลมากกว่ากันครับแต่สมาธิก็หลุดบ่อยครับก็เนี่ยหละอยู่ที่ว่าสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ได้บุญถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญคุณสราวุธครับทำยังไงจึงจะมีความสุขครับวันวันบางทีก็ทะเลาะกับแฟนรู้สึกไม่มีความสุขเลยครับ ก็ถ้าเราหาความสุขทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้นะ่ะความสุขจากแฟนจากคนนั้นคนนี้มันเป็นอ น, นิจจังไม่เทีย่ยมมันเกิดดับเกิดดับมีสุขมีทุกข์สลับกันไปถ้ า, าอยากจะมีสุขไม่มีทุกข์เราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปบวชเป็นภระเหมอนเราเนี่ยเราก็จะมาไปเจอความทุกขกับคนนั้นคนนี้อะไรหาความสุขจากการทําใจให้รงบนั่งสมาธิแล้วง่วงนอนมากเลยครับต้องทําอย่างไรครับ ถ้าเรามุ่งขึ้นมาเดินดูเดินจงกรมแทนเดินสมาธิแทนแทนันทีนะสมาธิก็เดินสมาธิแทนธรรมะช่วยรักษาหรือบรรเทาภาะวะซึมเศร้าได้ไหมครับต้องทําอย่างไรครับถ้ามีสติจะนั่สติทําใจให้สงบได้ภาะวะซึมเศร้าก็จะหายไปใจก็จะสดใสเบิกบานขึ้นมาเวลาทําจิตทันสงบ เวลานั่งสมาธิแล้วร่างกายเราเองลงจนฟุบลงไปแต่ในขณะนั้นเรายังพุโทโธได้อยู่เราควรพุโทโธไปเรื่อยๆหรือเราต้องดึงร่างกายกลับมาตั้งให้ตรงก่อนแล้วค่อยพุโทโธต่อครับเพราะแั้นแต่เราจะทำเราจะทำพุโทโธต่อไปเรื่อยๆก็ได้หรือเราจะกลับมาตั้งร่างกายใหม่ก็ได้แล้วแต่เราคุณทวีชัยครับ การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอย่างไรครับทําไมดูแล้วเหมือนกันครับเอเราต้องรู้จักเขาว่าอนิจจังแปลว่าอะไรอนิจจังแปลว่าเป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอดอกไม้เนี่ยดอกไม้ตอนต้นก่อนที่มันจะบานมันก็ต้องตูก่อนใช่ไหมหลัจากตูงมันก็บานแล้วถ้าตัดมาใส่แจกันไว้ไม่กี่วันมันก็เฉา อันนี้คืออันนี้จังมันไม่เทียมมันไม่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาอนัตตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้เราไปทําให้ดอกไม้ไม่เฉวไม่ได้เมื่อตัดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเฉาไปไม่ว่าหน้า ต, ตามันไม่มีภายใต้การควบคุมบังคับของเราถ้าเราอยากจะให้มันสดใสาบานอยู่ตลอดเวลา มันไม่จะทําให้เราทุกข์เวลาที่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของอนิจจังของอนาตาของของดอกไม้นึกขออะไรต่ตาองๆทั้งหลายก็เหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเ่นร่างกายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไปห้ามมันไม่ได้อ น, นิจจังก็คือแก่เจ็บตายนี่ก็เรียกว่าอนาาิจจังไม่เที่ยงอันนั้นตายก็คือเราหยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ ที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะไปหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายแต่เราหยุดไปไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เข้าไปให้มันแก่ไปให้มันเจ็บ ไ, ไปให้มันตายไปอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาอันนี้จังทุกขังนัาตาจากคุณวีครับตั้งใจจะถือศีลแปแต่ช่วงพักเบรกหลังเที่ยงไปเป็นเวลาบ่ายถ้าทานมื้อสุดท้ายของวันเลยเวลามานิดหน่อยพอจะถือปฏิบัติได้ไหมครับ ถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆเช่นเราต้องพักกินอาหารตอนเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่เป็นไรข้อสำคัญก็คืออยากกินมาก น, นั่นเองการการถึงศีลแปดไม่รับปราอาหารหลังจ า, ากเที่ยงวันก็เพื่อที่เราไม่กินอาหารมากเกินไปเพราะ ม, มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเวลาเราไปฝึกสมาธิมันจะง่วงนอนถ้าเราไม่ได้กินอาหารหลังจ า, ากเที่ยงวันไปแล้วมันร่างกายมันจะไม่ง่วงนอน เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเราได้ถึงพระโสดาบันแล้วครับเราก็าปล่อยวางร่างกายได้เราไม่โกลัความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่เจ็บตายคุณอีฟครับนิสัยของคนเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับก็เราจะไปเจอคนที่เขามีนิสัยดีนะเขาบอกเราว่านิสัยที่เราเป็อยู่นี้ไม่ดี เป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างปัญหากระงาให้กับเราท่านก็บอกเราด้วยเหตุด้วยผลนะเราเชื่อเขาแล้วก็พยายามเปลี่ยนได้ถ้าเรามาเจอพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าสามารถทําบาปนี้ไม่ดีนะทําบาปแล้วมีผลเสียตามมาถ้าเราเชื่อเราก็เปลี่ยนนสัยพยายามอย่าไปทําบาปใอยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ต้องเสียออไปแล้วก็เปลี่ยนได้ต้องมีผู้มีอิทธิพลต่อ ครามรู้สึกนึกคิ่ของเรามาสอนเราเห็นเรามาเกิดในครอบครัวของพ่อแม่ที่ไม่ทําบาปนี้เขาก็จะสอนให้เราไม่ทําบาปกันเห็นไหมว่าเราจะมีนิสัยจอบทาบาปเอาที่เราเป็นเด็กเราก็จะทําบาปไม่ได้เพราะเราจะถูกคอยห้ามอยู่เรื่อยๆเราจะเราจะสามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเรายังอยากจะทําบาปต่อไปเราก็ยังจะเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าการทําบาปไม่ดีมีโทษตามมากตบตัวเรา แล้วก็พยายามเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนได้คุณยิญญ้มครับสัญญาคือความจำหมายรู้นี้มีประโยชน์ต่อตอนภาวนาไหมครับไม่มีหรอกเราไม่ต้องการให้มันมีเราต้องการให้รู้เฉยๆให้รู้ลงอย่างเดียวรู้พุโทโธอย่างเดียวถ้าเราต้องเจอคนที่เกลียดทุกวันเห็นแล้วไม่อยากมองหน้าแต่ต้องทำงานร่วมกันในทีม ไมื่อทำใจเฉยๆไปทําใจเป็นดูเบ็ดขาไปวางเฉยคําถามคล้ายๆสักครู่ครับสามีตายแล้วบวชพรามให้สามีได้รับบุญใหม่วิ ญ, ญญาณจะรับรู้ไหมครับคือการบวชนี่มันมันเป็นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตนานําราถ้าอยากจะ อ, อุทิศบุญให้กับู้าต้องรับประนานพรเจ้าสอนให้ทําบุญทําทาน เันอย่าง น, นี้ไม่รู้ว่าเอาไปบุกทิ้ให้เขาได้หรือไม่อันนี้มันเป็นความเชื่อของคนทั่วไปเชื่อว่าเป็นบุญแลสามารถบุทิ้นได้ก็ทำไปก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือไม่อันนี้ไม่ไ ม, ไ, มไม่รับรองนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงแล้วความรู้สึกเหมือนขาทั้งสองข้างหายไปต้องทำยังไงครับไม่ต้องไปสนใจดูลมต่อไปไม่พุทโธต่อไป คุณวัลวัลีครับเวลาทําอะไรไม่ว่าเรื่องนั้นจะสําคัญมากหรือน้อยก็จะตั้งใจทําและจริงจังเกินเหตุเพราะอยากจะให้ผลออกมาดีถึงแม้เราไม่สามารถบังคับสิ่งรอบตัวได้แต่ก็ยังติดนิสัยรบกวนพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับถ้าเราอยากจะทําแล้วมันทําไม่ได้เราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องลดความอยากของเราทํำท่าที่เราทําได้ไป คุณอัฏภากรครับทำอย่างไรกับความขี้เกียจในการปฏิบัติพยายามฝืนแต่ก็ยังขี้เกียจอยู่ยิ่งมีความเจ็บป่วยยิ่งทําให้ท้อจะผ่านอารมณ์อย่างไรดีครับก็คิดว่าการปฏิบัติเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าเราไม่ปฏิบัติใจเราก็จะทุกข์ถ้าเราปฏิบัติใจเราก็จะทุกข์น้อยลงก็เหมือนกับการกินอาหารถ้าเราไม่กินอาหารร่างกายก็จะหิวถ้าเรากินอาหารร่างกายก็จะไม่หิว บางที่เราไม่อยากจะกินอาหารแต่เราก็ต้องฝืนกินเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความหิวพ็น่าคิดแบบนี้คิดเหมือนกัการรับประทานอาหารไปคุณนุ้ยครับความกังวลเกิดขึ้นแต่เราไม่ค่อยมีความกังวลเพราะมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปและเมื่อเรามีความคิดที่ไม่ดีแต่เราก็วางเฉยและบอกตัวเองว่าความคิดไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็หายไป การใช้สติพิจารณาแบบนี้ถูกต้องหรือเราแค่พยายามหนีปัญหาครับถ้ามันดับความไม่สบายใจของเราได้ก็ใช้ได้คุณสลาวุฒิครับบอกว่างูขึ้นห้องอยู่ชั้นสามเราจะดวงตกหรือไม่เป็นเพราะอะไรครับรไม่เกี่ยวนะเราเรื่องของงูก็เรื่องของอ ง, องูดวงจะตกก็จะขึ้นอยู่ที่บุญเมื่อบาทที่เราได้ทําไว้ถึถงเวลาที่บาตจะส่ ง, สงผลมันก็จะตก ถ้าถึงเวลาบุญจะส่งผลมันก็จะขึ้นคุณสิริวิทย์ถามเรื่องศีลพระอาจารย์นะครับคนที่มาเลสิงคโปร์ที่เข้ามาถามพระอาจารย์เขาสนใจวิธีการภาวนาหรือถามเรื่องทั่วๆไปเหมือนคนไทยครับก็มีหลายหลายหลายคําถามด้วยกันบางคนก็ถามเรื่องศีลบางคนก็ถามเรื่อ ง, งทำบุญทำทานบางคนก็ถามภาวนามีหลายหลายรูปแบบด้วยกัน คุณป้าหนครับในปัจจุบันนี้มีคนทรยศพ่อแม่ท่านเดียวดายไม่บำรุงไม่อภิบาลทำไมกรรมนี้ไม่ส่งผลถึงลูกแบบนี้แต่กลับมีความสุขสบายจึงมีความสงสัยต่อ ก, กรรมและผลของกรรมครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่กรรมจะส่งผลไงอาจจะรอให้ถึงเวลาเขามีลูกแล้วลูกไม่เลี้ยงดูเขาต่อไปก็ได้ทาอะไรไว้ต่อไปมันก็จะกลับมาหาเราข้อที่สองครับ อันหนึ่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีกรรมดีจึงได้เกิดมาทำไมกรรมนั้นไม่ส่งผลให้เขาเป็นคนดีครับคือเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันมันไม่ได้เป็นเพราะากรรมดีส่งให้มาเกิดมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นกรรมดีกับกรรมไม่ดีมันหมดอิทธิพลต่อจิตใจมันก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้มันอยู่ที่ว่ามันมาจากที่ไหนถ้ามาจาก อาบายนี้มันก็จะมีนิสัยเร็วติดตัวมานิสัยไม่ดีถ้ามาจากสวรรค์มันก็จะมีนิสัยดีติดตัวมาคนเรามาเกิดในโลกนี้ถึงมีคนสองรูปแบบคนใจบุญก็มีคนใจบาปก็มีเพราะว่าอยู่ที่ว่าเขาเคยทําอะไรมาก่อนถ้าเคยทําเขาเคยทํำบาปเขาก็จะมีนิสัยติดตัวมาถ้าเขาเคยทําบุญเข า, าก็จะมีนิสัยติดตัว น, นิสัยทําบุญติดตัวเข้ามา ตัวผู้รู้หมายถึงสติบวกปัญญาใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกตัวผู้รู้ก็รู้ไงตัวรู้เฉยๆตัวสติกับตัวปัญญาไม่ใช่เป็นตัวผู้รู้นั่งสมาธิแล้วมีความทรมานทางกายมากจนหยุดนั่งถามว่าเราควรอดทนนั่งให้นานที่สุดจนกว่าจะถึงจุดที่จิตเราสงบมีความสุขใช่ไหมครับใช่ถ้าทำได้ ถ้าทำไม่ได้แสดงว่าสติเราน้อยต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นก่อ น, อนที่เราจะมานด่นมาถ้าเรามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นกับการปฏิบัติแล้วขอขามากรรมแบบนี้บาปไหมครับเราผิดปกติไหมครับเม่ถ้ า, าไปถ้าไปทำอะไรกับใครเขาหรือเปล่าถ้าไปทำก็ต้องก็ไปขอขอมาขอทวดเขาก็จะดี ถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรเป็นเพลงแต่เป็นความคิดขึ้นมาเฉยๆล้วก็หยุดความคิดนั้นไปอย่าไปอย่าไปคิดแบบนั้นคุณพรชนกครับการปฏิบัติในรูปแบบน้อยใช้การเจริญสติดูร่างกายเคลื่อนไหวในขณะที่ทํางานหรือเดินและดูความคิดความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นแบบนี้พอได้ไหมครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะเราเจริญสติให้มากค่อยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้ แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปนั่งสมาธิต่อเพื่อจิตจะได้เนื่งสงบได้อย่างเต็มที่ได้ความสุขอย่างเต็มที่ต่อไปคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับฟังธรรมะใน youtube และฟังเสียงธรรมในขณะทํางานได้บุญไหมครับได้อาจารย์ได้น้อยเพราะว่ามันอาจจะใจมันแบ่งไปแบ่งมาระหว่างการทํางานกับการฟังธรรมงนั้นถ้าอยากจะได้บุญเต็มที่กันเราต้องฟังอย่างเดียวอย่าไปทํางาน ในขณะที่เราฟังธรรมเราก็จะได้บุญอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราทำสองอย่างควบคู่กันไปใจเราก็ต้องแบ่งไปแบ่งมาบุญที่เราได้จากจาการัางธรรมก็อาจจะลด น, น้อยถอยลงไปขอโอกาสครับอาจารย์วันนี้คนฟังธรรมเยอะครับใน f a c e b o o เก้า้อยสิบคนครับใน YouTube 6้อยห้าสิบเอ็ดในคลับแปดใน t i ๊ t o k อกเจ็ด้อยสี่สิบห้าครั บ, 8, ร, บรวมสองพันสามรอยสิบสี่คนครับอาจารย์ครับ ก็เพร่มเป็นสเิติีใหม่เมื่อสองวันสามก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาฟังธรรมถามตอบคำถามหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไมหมาะก็น้อยแล้วเพื่อจะได้นำมาไปใช้ในการปฏิบัติให้ดีขึ้นไปตามลำดับการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ แรื่งความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้าอย่างไรก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขออ่าขอให้ขอเจริญพรดินดึยหัว ขอบคุณคุณพาอจานครับ